และพระโพธิสัตว์ก็ควรจะกล่าวถึงเรื่องกับหรือกันบ้านเพราะท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึงสีอสงไขยแสนกันนับแต่เมื่อเสวยพระชาติเป็นสุเมตดาบทกล่าวตามสันวนเก่าว่าสีอสงไขยกาไรแสนกันหรือสีอสงไขยกําไรแสนมหากัน ความคิดในเรื่องการเวลาอันยืดยาวของโลกได้มีกล่าวในคมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นแรกก็มีชั้นหลังก็มีในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์ก็มีความคิดในเรื่องนี้น่าจะมีตั้งแต่เก่าก่อนพุทธการช้านานวิธีหมายรู้ในเรื่องการเวลาในคัมภีรทั้งหลายดังกล่าวน่าจะสรุปได้เป็นสองวิธีคือ 1. นนับด้วยจำนวนสังขยา หรือนับด้วยตัวเลขเช่นหนึ่งสองสาเป็นต้น 2. กําหนดด้วยอุปมาหรือด้วยเครื่องกําหนดอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อมากเกินไปที่จะนับด้วยสังคยาหรือเลขการกําหนดดังกล่าวในวิธีที่สองนี้แหละเป็นที่มาของคําว่ากับหรือกับปากในภาษามคตหรือกันในภาษาสันสกฤตเพราะคํานี้แปลอย่างหนึ่งว่า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 ไม่ได้หมายถึงกับที่ใช้ในความหมายต่างๆดังกล่าวนั้นแต่หมายถึงระยะเวลายืดยาวเกินที่จะนับด้วยสรญญาหรือเลขต้องกำหนดด้วยวิธีอุปมาในเบื้องต้นเพิ่งทราบความหมายอย่างกว้างก่อนว่ากับหรือกันคือกำหนดอายุของโลกหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เกิดโลกจนโลกสลายเหมือนอย่างกาหนดอายุของบุคคลหมายถึงตั้งแต่เกิดจนตาย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 หรือผ้าเนื้อดีมารูปครั้งหนึ่งทุกๆุกร้อยปีผู้เขาหิ่นนั้นก็จะพึงราบเรียบไปก่อนแต่กลับยังไม่สิน้นอีกอุปมาหนึ่งเมือนอย่างนาครยาวหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยดกำแพงสูงหนึ่งโยดเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั่นถนัดถึงร้อยปีผลหนึ่งมีบุรุษหนึ่งมาหยิบพันธุ์ปักกาศไปเมล็ดหนึ่งทุกๆุกร้อยปีกองเมล็ดพันธุ์ผักกาศนั้นก็จะพึงสิ้นไปก่อน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 จนถึงต้องกําหนดด้วยอุปมาเหมือนกันคือเหมือนอย่างสาวกสี่คนมีอายุร้อยปีประลึกถึงกับในอดีตได้วันละแสนกลับระลึกอยู่ถึงร้อยปีก็ยังไม่หมดกับที่ล่วงไปแล้วต้องตายไปเสียก่อนอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนฝายในเนื้อที่ตั้งแต่ต้นแม่น้ําคงขาจนจดถึงมหาสมุทรซึ่งนับไม่ได้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่เม็ดกับในอดีตมีจํานวนมากมายหรือที่จะนับดังกล่าวเรียกว่า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 จะกำหนดระยะห่างกันของดวงดาวเหล่านั้นว่าเท่าไหรก็นับได้ยากเช่นในบัด น, นี้ก็ต้องคิดนับด้วยปีแสงเมื่อมาถึงระยะใกล้จึงพอจะนับได้ในระยะแสนกับก็น่าจะปรากฏพอนับได้เหมือนกันฉะนั้นกล่าวถึงการกําหนดนับในพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สอุบัติในกับหนึ่งองค์ที่ห้าอุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่ง แต่ในระหว่างองค์ที่สี่ถึงองค์ที่ห้ามีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ท้วนหรือเป็นอสมขัยที่หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่หกเจ็ดแปดเกอุบัติขึ้นในอีกกลับหนึ่งแต่ในระหว่างองค์ที่ห้าและองค์ที่หมีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ท้วนหรืออสมขัยที่สององค์ที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอุบัติขึ้นในอีกกลับหนึ่งแต่ในระหว่างองค์ที่เก้า และองค์ที่สิบมีระยะห่างกันมากจนนับกลับไม่ท้วนหรืออสงขายที่สามองค์ที่สิบสามวัดขึ้นในอีกกลับหนึ่งแต่ในระหว่างที่องค์ที่สิบสองและองค์ที่สิบสามมีระยะห่างกันมากจนนับกลับไม่ท้วนหรืออสงขายที่สี่นับตั้งแต่องค์ที่สิบสามนั้นมาจนถึงปัจจุบันหรือว่านับตั้งแต่พัตระกลับในปัจจุบันนี้ ย้อนไปถึงองค์ที่สิบาอุบัติขึ้นรวมได้แสนกับท่านใช้วิธีนับย้อนกลับไปแบบวิธีระลึกชาติคือย้อนกลับไปแสนกับองค์ที่13าดังกล่าวองค์เดียวอุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไปสามหมืนกับองค์ที่สิบสห้าอุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป18ื่นันกับองค์ที่สิบหกสเจ็ดสิอุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไปเก้ากับ องที่สิอุบัติขึ้นองค์เดียวในกลับนั้นย้อนกลับไป92กับองค์ที่20 21อุบัติขึ้นในกลับนั้นย้อนกลับไป91กับองค์ที่22องค์เดียอุบัติขึ้นในกับนั้นหรือนี้คือพระวิปัสสีที่กล่าวถึงเป็นองค์แรกในพระพุทธเจ้าจํานวนเจ็ดพระองค์ในผ่านยักษ์ผ่านพระย้อนกลับไป31อดกับ องค์ที่สิบสามยอุบัติขึ้นในกับนั้นต่อจากนั้นก็มาถึงพัทลกับปัจจุบันองค์ที่ยี่สิบห้าิหกเจ็ดยได้อุบัติขึ้นแล้วโดยลําดับแล้วจะอุบัติขึ้นข้างหน้าอีกพระองค์หนึ่งรวมเป็นพระเจ้าอาพระองค์ในกับนี้เพราะกับนี้มีพระเจ้าอุบัติขึ้นมากกว่ากับอื่ น, นในอดีตที่ท่านนึกไปถึงจึงเรียกว่าพัทลกับหรือพัทลกกับแปลว่า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 ก็เป็นการไม่ง่ายที่จะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ปีหรือร้อยปีพันปีแสนปีจึงเรียกว่าอสมไขเหมือนกันหมายความว่านับไม่ถ้วนฉะนั้นกับย่อยทั้งสี่จึงเรียกว่าอสงไขทั้งสี่รวมความว่าแบนกับใหญ่ที่เป็นอายุโลกทั้งหมดออกเป็นสี่กับหรือสี่อสงไขแต่พึงเข้าใจว่าสี่อสงไขในที่นี้หมายถึงสี่กับย่อยดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่หมายถึงสี่อสงไขยที่กล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยเรื่องสี่อสงไขกำไรแสนมหากันฉะนั้นอสงไขยในที่นี้เท่ากับเป็นอสงไข ย, ย่อยเช่นเดียวกับกับย่อยบางทีก็เรียกรวมว่าอาสงไขยกับอันหมายถึงส่วนย่อยทั้งสี่ของอายุโลกดังกล่าวเท่านั้นและใช้เรียกอสงไขยก็เพราะแม้เป็นส่วนย่อยก็นับปีไม่ทุวนเหมือนกันหรือ อสงไขในตอนนี้หมายถึงนับปีไม่ถ่วนส่วนในตอนโน้นหมายถึงนับกลับไม่ถ่วนในกลับย่อยทั้งสี่นั้นจะกล่าวถึงกับเสื่อมก่อนหมายความว่าระยะเวลาที่โลกวินาศคือสลายหรือดับวาวินาศของโลกมีสามอย่างคืออาโปสังวัตตะวินาศเพราะนา้ำเตโชสังวัตตวินาศเพราะไฟวาโยสังวัตตวินาศเพราะลม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 ปทารตาหมดไปโดยลาดับจากนั้นจึงบริพวกธรรมชาติเป็นต้นว่าข้าวสาลีสืบต่อมาสัตว์โลกจำพวกแรกเหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นโดยลำดับจนปรากฏเป็นมรุษสตรีสร้างบ้านเรือนสืบพันกันมาในทั้นแรกมีอายุยืนยาวเป็นอสงไขยหรือนับปีไม่ถ้วนต่อมาพากันประพฤติอกุศลกรรมด้วยอำนาจของราคะโลภโทสะโมห มากขึ้นอายุกรลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจนถึงสิงปีก็พากันถึงความพินาศเป็นส่วนมากเพราะภัยสามอย่างคือสัตราบุตรโรคทุภพภิกขะภัยคือความขาดแคลนอาหารเรียกว่าถึงสมัยมิคสันจีแปลว่ามีความสาคัญในการแลกกันว่าเหมือนอย่างเนื้อคือเห็นกันฆ่ากันเหมือนอย่างเนื้อถึกแต่ก็ยังไม่พินาศกันหมดทั้งโลก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 ริวัต <mister> ต <ius> าภัยกับกับพิตังเนื่องอยู่ด้วยกับเจริญตั้งแต่บัดนั้นจนถึงมหาเมฆกับวินาศบังเกิดขึ้นอีกส่วนควาวินาศด้วยน้ํานั้นเกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นเช่นเดียวกันก่อนแล้วจึงเกิดมหาเมฆน้ําด่างตกลงมาเป็นน้ําบลายกันย่อยโลกให้วินาศไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลกและกวาวินาศด้วยลมนั้นก็เกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นก่อนแล้วเกิดลมกับมาวินาศ เป็นลมปลายกันพัดผันโลกให้ย่อยยับเป็นจุนวิจุนไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลกเกณฑ์โลกวินาศดังกล่าวนี้คติเก่าแก่นั้นกล่าวไว้ว่าวินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งแล้ววินาศด้วยน้ําในครั้งที่แปดรั้นวินาศด้วยไฟและน้ําดังนี้ครบแปดครั้งแปดผลแล้วจึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่งและส่วนที่สี่ของกับย่อยหรือวิวัสสนายีกับ ระยะเวลาสั์โลกมีอายุสิปีเพิ่มขึ้นถึงอสงไขยแล้วถอยลงจนถึงสิบปีอีกเรียกว่าอันตรกับหรือกับในระหว่างหนึ่งประมาณ64อันตรกับจึงเป็นกับย่อยที่สี่นั้นแต่บางอาจารย์กล่าวว่าประมาณย0สอันตรกับและระยะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสลูนั้นในยุคที่มนุษย์มีอายุหนึ่งแสปีลงมาถึงหนึ่งร้อยปี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 ไม่โลกตั้งแต่พรมชั้นอภัสสรลงมาน้ําประลายกันทมโลกตั้งแต่พรมชั้นสุภกินหักลงมาลมปลายกันพัดผันโลกตั้งแต่พรมชั้นเวหับผลลงมาฉะนั้นก็ควรคล่าวถึงเรื่องโลกตามกติความคิดเก่าแก่นั้นต่อไปโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ ไม่ต้นต่อไป